ตีสหนุ่มเจริญลุกหุงข้าวโดยไม่รอให้ยายมาปลุกตั้งแต่รู้ว่าจะต้องไปเรียนหนังสือที่บางกอกหนุ่มน้อยก็กลับเนื้อกลับตัวทําตนเป็นคนดีของยายพรุ่งนี้ลาสินะที่เขาต้องจํำพากจากบ้านเรือนที่เคยอาศัยจากยายที่เคยพร่ำสอนด้วยรักและเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องและมวลเพื่อนที่เคยคุ้น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 หนุ่มน้อยครุ่นคิดขณะก่อไฟเตรียมตั้งหม้อข้าวยายตื่นพร้อมๆกับเขาล้างหน้าล้างตาแล้วก็เข้าห้องกระใช้เวลาสวดมนต์ภาวนาอยู่ในนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงจะออกมาจัดสำรับกับข้าวเตรียมใส่บาตรเมื่อข้าวเม็ดบานได้ที่หนุ่มน้อยก็ยกหม้อข้าวลงจากเตานำหม้อแกงส้มถั่วหลา ขึ้นตั้งแทนแล้วยกหมอ้อข้าวไปรินน้ำข้าวใส่อ่างไว้ขุนนางดางกับนางดำกว่าข้าวจะเสด็จน้ําแกงในหมอ้อก็เดือดพอดีเขายกหมอ้อแกงส้มลงชักฟืนออกจากเตาสองดุนเพื่อให้ไฟอ่อนแล้วยกหมอ้อข้าวขึ้นดงพลิกไปมาจนข้าวระอุทั่วถึงกันทุกเม็ดยายเดินเข้ามาขณะเขายกหมอ้อข้าวลงจากเตา และเตรียมจะตำน้ำพริกข้าวกับแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยายผมทำแกงส้มถั่วลาไว้ตั้งแต่เมื่อเย็นวานตอนเช้าจะได้ไม่ฉุกลระหุกดีแล้วไอ้หนูแกงส้มจะอร่อยต้องทิ้งข้างคืนไว้ยายชมพลางหยิบขันลงหินและชามตราไก่มาเตรียมไว้ ใกลเวลาพระจะมาคอยคดข่าวและตักแกงไม่อย่างนั้นกอจะเย็นเสียหมดยายพูดเหมือนที่เคยพูดอยู่ทุกวันพรุ่งนี้ผมคงลุกหุงข้าวให้ยายใส่บาทเป็นวันสุดท้ายไม่ต้องหอกไอหนูไว้เป็นหน้าที่ของหนังจำแลงดีกว่า สายๆก็คงจะขนของมาอยู่กับยายส่วนเองต้องเตรียมตัวไปบางกอเห็นว่าเรือแดงจะออกบ่ายสองโมงไม่ใช่หรือครับพ่อกับแม่จะมากินข้าวกลางวันที่นี่แล้วจะไปส่งผมที่ท่าเรือพ่อว่าต้องไปให้ถึงที่นั่นก่อนเรือออกราวๆครึ่งชั่วโมงอย่ายอยาก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 เองอยากให้ย้ายไปส่งหรือเปล่าทั้งอยากและไม่อยากครับหมายความว่ายังไงไหนลองขยายความหน่อยสิสงสัยย้ายจะแก่เกินไปแล้วกระมังถึงไดฟังเองไม่เข้าใจไม่แก่หรอกครับย้ายของผมยังสาวดูเหมือนว่าอายุแค่1 9 2เกเท่านั้น เขาพยายามสร้างอารมณ์ขันเพื่อชดเชยความเศร้าในใจทำไมเองถึงไม่อยากให้ยายไปส่งคนอายุ8ปถามอีกโดยไม่สนใจคำยั่ยเย้าของหลานชายผมไม่อยากให้ยายลำบากครับหนทางมันไกลแล้วยายก็ไม่ค่อยแข็งแรงใจจริงผมอยากให้ยายไปส่งจนถึงบางกอกแล้วอยู่กับผมที่นั่นเลย พูดอย่างที่ใจคิดเป็นไปไม่ได้หรอกไอหนูยายเกิดที่นี่ก็ขอตายที่นี่จะให้โยกย้ายไปอยู่ที่อื่นยายไม่คุน้นถึงจะสุขสบายสักปานใดยายก็อยู่ไม่ได้ต้องอยู่ที่ตำบลบางม่วงมูนี่แหละ เองก็เหมือนกันเรียนจบแล้วก็ให้กลับมาอยู่บ้านเราอย่าไปหลงบางก่อจนลืมบ้านเกิดเมืองนอนละ่ะคืนทำอย่างนั้นคนเขาจะได้นินทาว่าเป็นวัวลืมตีนาศยายคนอย่างผมไม่มีวันลืมกำาพื่อตัวเองถึงจะมีปู่เป็นคุณหลวงแต่ตัวผมเกิดจากท้องไร่ท้องนา เขากินน้ำพริกปลาร้าไปอยู่บางกอกคงจะอดกินแซกกระมังยายทำปลราร้าไว้ให้เองตั้งสองไหรับรองว่ากินไปจนกระหั่งเรียนจบก็ยังไม่หมดยายบอกด้วยว่าจัดเตรียมสเสบียงไว้ให้เขาพร้อมแล้วมีทั้งปลราร้าน้ำปลาพริกแห้งหอมกระเทียมกล้วยตาก ส้มลิม้มมะพร้าวแก้วและน้ำอ้อยงบผมคงไม่กล้าออไปรกยายกลัวคนบางกาะเขาจะดูถูกเอาคนที่นั่นเขาไม่กินปลาร้าเหมือนคนบ้านเราหรอกเขากินแต่หมูเห็ดเป็ดไก่กันหลานชายพูดตามที่ได้ยินได้ฟังมาถ้ากลัวเขาจะดูถูกก็เอาไปให้เดี๋ยวพอเก็บไว้กินคนเดียวเวลาที่ยาก ถ้าอย่างนั้นผมต้องถามพ่อดูก่อนถ้าพ่อไม่อนุญาตผมก็จะไม่ออกไปดีไหมครับยายตามใจเองก็แล้วกันยายกลัวว่าเองจะอดเท่านั้นแหละหมูเห็ดเป็ดไก่มันก่อสู่น้ำปริกปลร า, ราไม่ได้หรอกหรือเองไหวยังไงผมก็เห็นด้วยกับยาย แต่การที่เราจะไปอยู่กับคนอื่นก็ควรจะทำตัวให้เข้ากับเขาได้อย่างที่โบราณท่านสอนว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามจริงไหมครับคนอายุ84รู้สึกพอใจกับคำพูดของหลานแล้วก็คิดว่าเขาคงจะไม่มีปัญหาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนอกจากนี้กิริยามารยาทก็บ่งบอกว่าเป็นชาติผู้ดี ไม่มีทิ่ติสักนิดจวนเวลาพระมาบิณฑบาตยายจึงคดข้าวใส่ขันลงหินแล้วตักแกงใส่ชามหลานชายจัดลงในถาดทองเหลืองยกตามยายไปรอพระอยู่ที่หน้าบ้านใส่บาตรแล้วยายจึงขึ้นมากรวดน้ำไปให้บุพการีและเจ้ากํามนายเวรที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วจากนั้นจึงมาจัดการเรื่องสเสบียงกลังให้หลานชาย หนุ่มน้อยตำน้ำพริกเสร็จจึงต้มผักเมื่อได้เวลาเขาก็ยกสำรับออกมาสู่ยายกินอดคิดไม่ได้ว่าคงจะเป็นวันสุดท้ายที่ได้กินข้าวพร้อมยายที่บ้านวันพรุ่งนี้คงจะต้องกินในเรือแดงที่เข้าโดยสารไปบางกอกเอ็งลาญาติพี่น้องหมดทุกคนแล้วรึไอ้หนู ยายถามเมื่อกลืนข้าวคำแรกลงคอแล้วยังเหลือป้าเลียมอีกคนเดียวครับอิ่มข้าวแล้วผมว่าจะไปลาแล้วจะรีบกลับมากินข้าวกลางวันพร้อมยายวันนี้ผมจะกินกับยายทั้งสามมื้อเลยคงอีกหลายปีกว่าจะมีโอกาสเช่นนี้อีกคนพูดรู้สึกเหมือนมีก้อนแข็งๆมาจุกที่ลําคอทำให้กลืนข้าวไม่ลง ยายไม่รู้ว่าจะรอจนถึงเวลานั้นหรือเปล่าอาจตายเสียก่อนก็ได้ใครจะรู้คนอายุเจ็ดรอบระบายความอึดอัดขัดข้องใจออกมาหลานชายถึงกับน้ําตาร่วงด้วยพร้อมที่จะร้องไห้ยอยู่แล้วยายอย่าพูดอย่างนั้นคนมีบุญอย่างยายต้องอยู่ไปจนถึงร้อยปี เชื่อผมเถอะโลกนี้ไม่มีอะไรแน่หรอกไอหนูเอ้ยอะไรอะไรมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเสียทั้งนั้นช่างหัวมันอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดยายให้กำลังใจตัวเองหลานชายใช้มือซ้ายปาดน้ำตา แล้วจึงตั้งหน้าตั้งตากินข้าวจนอิ่มผมจะไปลาป้าเลียมนะครับเขาบอกยายหลังจากล้างถ้วยชามเสร็จแล้วไปเถอะระวังไอโทนหน่อยก่อนแล้วกันเห็นว่ามันดุนักดีไมด่ดีเองจะถูกกัดลองมากัดผมสิจะได้เอายาเบื่อให้กินซะเลยเขาว่า อย่าพูดอย่างนั้นมันเป็นบาปหมามันก็มีชีวิ ต, ตจิตใจถ้าใครเป็นมิตรกับมันมันก็เป็นมิตรด้วยแต่ถ้าใครเป็นศัต ร, รูมันก็จำไปจนวันตายเชียวละถ้าเช่นนั้นผมจะลองผูกมิตรกับมันผมไปแล้วครับ จะรีบมาให้ทันกินข้าวเพรนกับยายเมื่อหนุ่มน้อยมาถึงหน้าบ้านของนางเลี่ยมสุนัขสีดำตัวโตก็วิ่งแยกเขี้ยวเข้าใส่ไอ้โทนข้าเองจำไม่ได้หรือเขาทักพลางดิดนิ้วเปาะๆให้แต่เจ้าโทนไม่ฟังเสียงด้วยจำได้ว่าเจ้าหนุ่มคนนี้ เคยเอาก้อนดินคว้างถูกหัวมันทำให้ปวดหัวไปตั้งหลายวันจึงวิ่งก็ใส่ยอย่างไม่ยอมหยุดยั้งหนุ่มเจริญเห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งไปคว้าไม้ท่อนหนึ่งมาถือไว้ลองกัดข้าสิจะตีให้ตายเลยเข้าขู่เห็นว่าไม่มีทางสู้เจ้าโทนจึงตั้งหลักเห่าอยู่ห่างๆนางเลี่ยมมองลงมาเห็นหลานชายจึงทัก เองดอหรือไอ้หนูได้ข่าวว่าจะไปเรียนที่บางกอกไม่ใช่หรือหนุ่มน้อยยกมือไหว้พี่สาวของมารดาแล้วตอบว่าครับผมกําลังจะมาลาป้าคงอีกหลายปีกว่าจะได้เจอกันพูดพลางเดินขึ้นมาบนเรือนถือไม้ท่อนนั้นขึ้นมาด้วยถ้าเช่นนั้นก็อยู่กินข้าวเพลินกันก่อนนะประเดี๋ยวป้าจะต้มยํำไก่ให้เองกินไก่ป้ามีหลายสิบตัว จะย่างให้เองไปกินบางกอกด้วยนางเลี่ยมแสดงน้ำใจไมตรีไม่ได้หรอกครับป้าผมต้องกลับไปกินกับยายอีกอย่างหนึง่งผมไม่อยากให้พวกไก่ต้องมาตายเพราะผมกลัว จ, จะเป็นลางไม่ดีจริงของเองป้าก็ลืมไปงั้นจะเอาปลากเกลือให้เองไปไว้กินที่บางกอกนะเจ้ามันมันวิทบ่เมื่อเดือนที่แล้วป้าเลยทำปลากเกลือเก็บไว้ ตากซีแห้งแกล่งเลยคงเก็บไว้ได้หลายเดือนป้าอยาลำบากเลยครับยายเตรียมสเสบียงไว้ให้ผมแล้วป้ามีลูกหลานหลายคนเก็บไว้ให้พวกเขาเถอะหนุ่มน้อยพูดอย่างเกรงใจแล้วิ่งไม่ใช่หลานป้าหรือไงเอาเถอะผู้ใหญ่ก็ให้อะไรก็ต้องรับไว้ก่อนถึงจะเรียกว่าเด็กดีว่าและจึงเดินเข้าไปในครัว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 กับหลานนั่งคุยกันพักใหญ่ๆคนเป็นหลานก็เอ่ยลานางเลี่ยมหายเข้าไปในเรือนชั่วครู่แล้วออกมาพร้อมท้ายใบย่อมสีแดงเลือดนกป้าให้เงินเองสองตำลึงเอาไว้เป็นค่าเรียนนางส่งท่ายัรจุเงิน8บาทให้หลานชายหนุ่มน้อยยกมือไหว้อีกครั้งและจึงลงจากเรือนไม่ลืมที่จะหยิบไม้ท่อนนั้นติดมือมาด้วย เดินอย่างระแวดระวังเพราะรู้ว่าเจ้าโทนจ้องจะเล่นงานเขาอยู่เห็นเด็กหนุ่มถือไม้เจ้าโทนก็ไม่กล้าเข้าใกล้ได้แต่ส่งเสียงเห่าและวิ่งไล่ตามไปห่างๆครันเห็นว่ารับตาผู้เป็นป้าแล้วหนุ่มเจริญจึงก้มลงคว้าก้อนดินคว้างไปที่เจ้าโทนถูกที่เดิมอีกเจ้าโทนส่งเสียงร้องเอง๋เองเงแล้ววิ่งเข้าบ้าน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 ตั้งใจเรีนนะพอหนุ่มเอาละลุงตาจะให้ของไว้เป็นที่ระลึกท่านเอามือล้วงเขาเ้าไปในย่ามหยิบห่อผ้าเล็กๆออกมาแกะห่อออกแล้วส่งพระผงสี่เหลี่ยมให้เขาหนึ่งองค์เก็บรักษาไว้ให้ดีนะอย่าเอาไปให้ใคร หลวงตาได้มาจากมือท่านเลยพระอะไรครับเขาถามพระสมเด็จนะสมเด็จโต ว, วัดมณีชนขันท่านให้มากับมือหลวงตาเลยเอ็งไม่เคยได้ยินชื่อท่านหรื อ, อยังไงหลวงตารู้จักท่านหรือครับก็ไม่รู้เท่าไรหรอก ตอนนั้นหลวงตายังเป็นเด็กวิ่งเล่นอยู่แถวลานวัดบ้านหลวงตาอยู่ข้างวัดมณีชนขันตอนนั้นท่านอายุราวๆสักหกสิบเศษเศษนี่แหละพอเจอท่านทีไรท่านก็ควักพระออกมาจากย่ามทรงให้ท่านบอกเก็บไว้ให้ดีๆนะวันนี้ เองอาจจะไม่เห็นคุณค่าแต่วันข้างหน้าจะมีข่ามาหาศาลเชียวละท่านใจดีชอบแจกพระให้เด็กเด็กเด็กผู้หญิงท่านก่อให้ครับผมจะเก็บไว้ให้ดีที่สุดผมเห็นจะต้องกลาบลาหลวงตาละครับขอให้อายุมันขวันยืนนะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ได้เป็นเจ้าคนนายคนหลงตาให้ศีลให้พรหนุ่งน้อยกราบสามครั้งแล้วคลานออกมาเมื่อได้ระยะห่างพอประมาณแล้วจึงลุกขึ้นเดินตรงไปยังบันไดกุฏินางสาวจำแรงมาถึงตอนเย็น หนุ่มเจริญกำลังกินข้าวอยู่กับยายกนไหนว่าจะมาตอนสายๆทำไมมาสักค่ำเลยข้านึกว่าอิ่มข้าวแล้วจะต้องไปตามเองซะอีกเขาตอบว่าพี่สาวก็ดีเท่าไหร่แล้วที่เองไม่ต้องเสียเวลาไปตามยังจะมาว่าข้าอีกพี่สาวเถียงยายไม่อยากให้พี่น้องทะเลาะกันจึงถามขึ้นว่ากินข้าวมาหรื อ, อยัง ต่ยังก็มากินพร้อมๆกันเลยเรียบร้อยแล้วจะยายอิ่มข้าวแล้วฉันก็มานี่แหละหลานสาวตอบย้ายครับคืนนี้ขอผมนอนห้องยายนะครับจะได้ให้จําแรงมันนอนห้องผมเข้าขออนุญาตในไหนก็จะจากยายไปตั้งหลายปีอยากนอนใกล้ๆ ย, ยายเหมือนเมื่อตอนเป็นเด็กงั้นข้าจะเอาของไปเก็บละ นางสาวจำแรงยกหีบหวายซึ่งบรรจุเสื้อผ้าของหล่อนเข้าไปเก็บในห้องน้องชายพี่สาวหลับไปนานแล้วหากน้องชายยังคงนวดให้ยายอย่างคมักข ม, ะขะมน่นยายจึงอบรมบ่มนิสัยหลานเป็นครั้งสุดท้ายจำไว้นะไอหนูอยู่บ้านทันอย่าหนิงดูได้ปั่นหัวปั่นควายให้ลูกทันเล่น ถ้าลูกท่านโตโตกันแล้วผมจะปั้นให้ใครเล่นละยายหนุ่มน้อยแซงสงสัยยายหมายถึงว่าให้เป็นคนใหม่ดูดายท่านมีงานอะไรก็ช่วยท่านอย่าขี้เกียจขี้คร้านคนขยันอยู่ที่ไหนก็เจริญงั้นผมไม่ต้องขยันก็ได้เพราะถึงยังไงก็ต้องเจริญอยู่แล้ว ไม่เช่นนั้นคงไม่เฉื่อเจริญหลานชายอดยั่วเสียไม่ได้เขาไม่อยากให้วันพรุ่งนี้มาถึงด้วยว่าไม่อยากจากยายไปเอ็งมันก่อเป็นเสียอย่างนี้ยายว่าไม่ได้นึกโกรธเคืองแต่ประการใดเพราะรู้นิสัยของคนเป็นหลานมาช้านานแล้วเรื่องเงินทอง ก็ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะอะไรไม่สมควรซื้อก็อย่าไปซื้ออยู่กับผู้ใหญ่ต้องทำตัวให้เขารักเขาเมตตาอย่าอยู่ว่างอย่าหางผู้ใหญ่เด็กคนไหนอยู่ว่างหางผู้ใหญ่เป็นต้องเสียคน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 เอาครับผมต้องไปเอาสมุดมาจดหรือเปล่าไม่ต้องท่องให้ขึ้นใจเดี๋ยวนี้แหละฟังนะข้าถาของยายมีว่าอย่านอนตื่นสายอย่านหนหากินอย่าไม่นเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาเมื่อยายพูดจบหลานชายก็จำได้อย่างแม่นยำ ยายสอนต่อไปอีกว่าคนที่จะเจริญในนาทีการงานเขาต้องเอาใจเจ้านายให้ถือคติยืนลุกยืนรับยืนคำนับโอบังคับบัญชาปากหวานตัวอ่อนมือเป็นงอน นี่ยายสอนเผื่อไว้ก่อนนะเป็นยังไงครับยายมือเป็นงอนนะ่ะหลานชายไม่เข้าใจวหายสิเจอใครก็ว่ายเขาจะอายุอ่อนกว่าหรือแก่กว่าก็ว่ายเขาไว้ก่อนอย่าไปเยญิงจ้องห้องคนเขาจะเกลียดเอา คนอ่อนน้อมถ่อมตนใครเห็นใครก็รักจำไว้น่าหลานยายเทศนาต่อไปอีกยืดยาวแล้วจึงเงียบเสียงลงหลานชายคิดว่ายายหลับแท้จริงแล้วยายแอบร้องไห้ยายหลับแล้วหรือครับหนุ่มน้อยถามครั้นไม่มีเสียงตอบก็จึงถือโอกาสขอขมาลาโทษยาย ด้วยการคลานไปทางปลายเตียงกราบที่เท้ายายสามครั้งพูดเบาๆว่ า, วายายครับผมเคยล่วงเกินยายทั้งกายกรรมไวจีกรรมและมโนกรรมเป็นต้นว่าขโมยเงินยายโกหกยายและคิดไม่ดีกับยายโปรดอโหสิกรรมให้ผมด้วยเถิดแล้วกราบอีกสามครั้ง คนที่กำลังนอนร้องไห้นึกขำจึงทำทีเป็นละเมอด้วยอาการพูดลอยๆขึ้นว่าตกหัวกลางสาลาขอขมาที่บานหนุ่มน้อยสะดุง้งรู้ได้ในทันทีว่ายายแกล้งทำเป็นละเมอนึกว่าหลับไปเสแล้วที่แท้ก็แอบฟังเขาอยู่ในที่สุดยายก็รู้ความลับของเขาจนได้